ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสังฆชนทั้งหลายวันนี้จะได้พูดเรื่องนิทานในสูตรว่าประสุตเป็นประสุตที่กล่าวถึงสาเหตุเบื้องต้นของความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลประสุตที่มีชื่ออย่างนี้มมีหลายแห่ง หมายความว่าอะไรก็ตามที่จะพูดไปในแนวของการสืบสาวถึงสาเหตุจริงๆเนี่ยท่านจะเรียกว่านิฐานะเนบื้องต้นหรือเงื่อนต้นของเหตุของผลเหล่านั้นส่งยกออกองกิเลสใจสามกองคือโล ก, กุตรลงที่เป็นสาเหตุของความทุกข์ในระดับต่างๆ ความทุกข์ในสังสารวัฏการมาเกิดในบายเป็นต้นตทรงแสดงว่าวต้นแรกจะเป็นผลซึ่งเกิดมาจากเหตุคือโลกกฎลงที่มีความเข้มข้นมีความรุนแรงที่แตกต่างกันเพราะนั้นธรรมะปฏิบัติในทางศาสนาเมื่อต้องการจะลดละบันเทาความทุกข์ แทนที่จะไปลดที่ตัวทุกข์โอ้จะไปลดที่ตัวกิเลสซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ราคาก็เจบค่ายไม่สบายแต่แทนที่จะไปแก้ที่ตัวอาการของความไม่สบายก็แก้ที่สาเหตุของความไม่สบายปัจจัยสงบลงไปอาการเหล่านั้นมันก็จะลดลงไป คล้ายๆก็เราต้มน้ำแล้วก็มันเดือดมากน้ำล้นออกมาจากภาชนะเราก็ไปลดที่ไฟความร้อนงไฟมันลดลงน้ำก็จะไม่ล้นออกไปนอกภาชนะแต่การถึกสาวในแนวนี้ส่วนมากแล้วเรามักจะพูดโดยสรุปเอา รับนิมนต์ไปตอบปัญหาในรายการกฎแห่งกรรมสองเสาวันนี้ก็อีกก็เจอในสถานะนั้นมาความมาค่ยงผลไปกับเหตุผลอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับเพราะเหตุอย่างนี้อ่นี้ซึ่งอาจจะใช่ก็ได้นะอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะจริงแล้วในกระบวนการของเหตุ ที่ออกมาเป็นรูปของกรรมคือการกระทำหรือคนเรามีการกระทาที่ต่อเนื่องกันมาอดีตการนั้นก็เป็นกรรมที่สลับซับซ้อนเยอะเราก็ติดตามคนมาที่ทรงอุปมาเหมือนสุนัขไล่เนื้อมันตามมันเรื่อยๆทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะมาให้ผลก็ได้ หรืออาจจะเป็นเรื่องของอดีตกรรมใกล้ๆก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นจากการประมาทพลาดพรัง้งหรือการไปเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่ดีในขณะนั้นๆก็ได้ประกาศรับรองเนี่ยมันก็รับรองแน่นอนว่าความทุกข์ต่างๆนั้นเกิดขึ้นมาจากกิเลสเราพูดถึงตัวเหตุรองลงมาก็คือกรรม ที่ทำไปด้วยอํานาจของกิเลสต่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อมเหตุได้เสมอไปเพราะเหตุบางทีบังไกลมากที่บอกว่าเหตุบางอย่างมันไกลมากาเพียงแต่ว่าความทุกข์เป็นผลของความชั่วนี่คือหลักความสุขเป็นผลของความดีก็คือหลักแต่ว่าดีไหนชั่วไหนนั้นเป็นรยายละเอียด เพราดหลักองการปฏิบัติก็ส่งสอนให้ตัดเทศของความชั่วของความทุกข์คือไปลดกิเลสลดกิเลสก็ลดกรรมลดก ร, รมก็ลดผลลดผลของกรรมในสายที่ไม่ดีในสายหนึ่งก็ส่งสอนในแนวของการเพิ่มความไม่โลภไม่โกรธไม่หลง คือหมายความว่าถ้าจิตใจเราเพิ่มความไม่โลภไม่โกรธเป็นหลมขึ้นการกระทํำเราก็จะเป็นกุศลมากยิ่งขึ้นจิตใจก็จะมีความสงบมีความยืดกเย็นสูงขึ้นผลที่เราต้องการคือความสุขก็เกิดขึ้นได้โดยง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสร้างเหตุให้เกิดความสุขแล้ว จรนี้แม้แต่ความสุขก็เหมือนกันเอาขัจริงแล้วก็ไม่ใช่ว่าตรงตัวเสมอไปว่าเป็นเรื่องกรรมตรงนั้นนัก็ุญธรรมตรงนี้ส่วนมากเราสรุปอย่างนั้นในรายละเอียดเนี่ย ม, มันคงจะไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดอาจจะเป็นเรื่องบุญแนวดีดก็ได้อย่างที่ทรงแสดงไว้ในเรื่องของมหากรรมมยพังกระสุดเป็นการจําแนกโดยสรุป สรุปหลักใหญ่ไว้สีหลักหมายความเราดูคนในปัจจุบันว่าจนคนเนี้ยประพฤติปฏิบัติในอกุศลกรรมบทในปัจจุบันแล้วเขาก็รับความทุกข์หรือว่าตายไปตกนรกความทุกข์ก็ดีการตกนรกก็ดีนั้นอาจจะเป็นผลของอกุศลกรรมที่ทําในชาตินั้นก็ได้หรือชาติก่อน หน้านั้นก็ได้รือชัดก่อนไปใกล้กว่านั้นก็ได้แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดอาจจะเกิดจากอากุศลทุจริตที่เป็นเหตุแล้วก็ตัดสินใจทำในขณะนั้นๆน่นะขณะที่เขาได้รับผลเนี่ยก็ได้แต่ที่แน่นอนก็คือว่าความทุกข์ที่เขาได้รับก็ดีกันบังเกิดในาบายก็ดีนั้นเป็นผลของอกุศลแต่อกุศลไหนล่ะ มันก็ไม่แน่หรอกคือเราบอกไม่ได้ที่แน่นอนว่าเป็นอกุศลเท่านั้นเองหรือว่าคนบางคนทําความชั่วในปัจจุบันเนี่ยแล้วเขาก็รับความสุขความเจริญหรือว่าตายไปบังเกิดในสุกติตรงนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเคยเป็นความขัดแย้งที่เราพูดเรามักจะพูดว่าทําดีไม่ได้ดีทําชั่วดีด ตรงนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันคือว่าการที่เขาได้รับความสุขความเจริญก็ดีหรือการที่เขาได้รับใบบังเกิดในสุขในสุขติก็ดีนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำความชั่วในชาตินั้นแต่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำความดีในชาติก่อนหรือว่าชาติก่อนก่อนหรือไอยู่ที่การตัดสินใจทาความดีในก่อนที่จะดับจิต อยี่เคยยกตัวอย่างเรื่องมัตตคุณลีเทพบุตรก็ไม่เคยทําความดีอะไรแต่ก่อนที่จะตายนั้นก็ทําใจเริ่มใสในพระพุทธเจ้าไดย้ยึดมั่นอยู่ในพุทธคุณก็ตายบังเกิดในสุคติแต่ที่แนนอนที่สุดก็คือการบังเกิดในสุคติก็ดีการประสบความสุขความเจริญก็ดีเป็นผลของความดีความดีไหนก็เป็นรายละเอียดนะครับ คือคนจะโยมได้จริงๆมันมีเฉพาะพระพุทธเจ้าคนระดับพระสารีบุตรคนระดับพระอนุรุษจึงได้ได้ได้ไดทิพยสู่ชั้นยอดเนี่ยนะฮะแต่ว่าจริงๆท่าก็โยงไม่ได้ทั้งหมดอเพราะมันเป็นเป็นรายละเอียดมากๆในการสอนพูะเจ้าจึงไม่ค่อยสอนในรายละเอียด คือสอนงดเว้นงดเว้นความชั่วให้ทําความดีเอาจำหลักตรงนี้ไว้ก่อนในข้อที่สามนั้นคนที่ทําความดีในปัจจุบัน ท, ที่ทรงยกตัวอย่างว่าทําปฏิบัติตนในจำหลักของกุศลกระบทศิล ป, ปการนะฮะคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เอาพืชถิ่ในการไม่พูดเท็จไม่พูดสโสเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเลวไห ล, หลไม่โลภอยากได้ของคนอื่นมาปิยาบติปองร้ายบุคคลอื่นทชอบทำต้องนองกรองธรรม แต่บริตายไปบังเกิดในทุกติหรือประสบความทุกข์ททั้งที่ทําความดีเอ๊ะทำไมประสบความทุกข์ทำความดีแล้วทำไเอ๊ะทำไมตายบังเกิดในทุกติเพราะว่าการรมที่มันตามมาการบังเกิดในทุกตินั้นอาจจะเพราะความเห็นเกิดผิดขึ้นมาตรงไหนตรงหนึ่งก็ได้ก่อนดับจิตก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของ อกุศลในปัจจุบันไม่ใช่อกุศลในอดีตก็ได้อดีตนั้นก็มีอดีตใกล้กลารอดีตใกล้อีกที่แน่นอนที่สุดก็คือรับเขารับความทุกข์ก็ดีได้บังเกิดในทุกขติคดีนั้นเพราะผลของความชั่วไม่ใช่ผลของความดีที่เขาทําในขณะนั้นเนี่ยถามว่าความดีเหล่านั้นน่ะมันก็ยกยอดไปให้ยกยอดไปให้ในโอกาสต่อไป หรือว่าคนที่ทำความดีอยู่ในปัจจุบันแล้วได้รับความสุขความเจริญหรือตายไปแล้วบังเกิดในสุกติมันก็ไม่แน่ไม่ค่อยแน่ว่านั้นคือผลของความดีในชาตินั้นอาจจะเป็นความดีก่อนดับจิตอาจจะเป็นความดีในอดีตแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือเรื่องของความดีแม้จะมีการําแนกออกไปพิสดารอย่างนั้นนะฮะเอาก็จริงแล้วก็คือชวเพื่อดีอแหละ แต่ว่าให้เรารับที่ชอบเฉพาะในปัจจุบันเพราะอะไรเพราะอดีตมันเป็นเรื่องของอดีตเราแก้ไขอะไรไม่ได้อย่างเมื่อเช้าเนี่ยไปออกโทรทัศน์ช่องห้านี่มีคำถาม2องคำถามคนหนึ่งแม่เตรียมเงินเพื่อจะทำบุญลูกขโมยเจ้ยคนหนึ่งก็เตรียมเงินทอดประป่าตัวเองเขโมยเสียแล้วก็เวลาเนี้ยมันก็เป็นผู้ใหญ่ละก็เกิดมีปัญหามีความทุกข์ใจ แล้วก็ประสบความล้มเหลวเรื่อยๆทำอะไรก็สูญเสียไปเรื่อยๆแล้วจะแก้ไขยังไงเราเราแก้ไขเรื่องอดีตไม่ได้หรอกแต่เราทำให้ดีที่สุดในปัจจุบันพราวการให้ผลของความดีความชั่วเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่เคยบอกท่านทั้งหลายมาหลายครังองค์ประกอบตัวนี้ท่านท่าน ท, านทานอธิบายพิสดารว่า เรียกคติสมบัติคือสถานที่ที่เราเกิดสกุลที่เราเกิดบางทีเนี่ยกรรมมันไม่ถึงข่าวที่จะให้ผลหรอกแต่พอดีสถานที่เราเกิดมันไม่ดีสกุลที่เราเกิดไม่ดีแล้วก็ดูแล้วใครๆมันเหมือนกับเราเราเคยประสบอุบัติเหตุสมัยเด็กๆ แล้วก็บางคนก็ผ่านวัยหนุ่มสาวมาร่างกายอ่อนเพี้ยเพลียงแรงไปนคนแก่เข้าแก่ขึ้นนะฮะอาการเหล่านั้นมันเกิดกำเริบขึ้นมาเพราะภูมิด้านฐานไม่พออาการเหล่านั้นก็เล่นงานหมอสืบไปสืบมาโอ้ยนี่เป็นเป็นรอยช้ำอยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้ตั้งแต่สมัยเด็กๆแต่ทำไมตอนหนุ่มสาวมั น, ม น, มน ไม่เป็นอันตรายบอกว่าเพราะว่าร่างกายมันแข็งแรงอยู่สุขภาพภระนาำไม่ดีอยู่ก็ต่อสู้ต้านทานไว้ได้แต่พอ ร, ร่างกายอ่อนแอลงมัน ก, ก็สู้ไม่ได้เพราะนบ ป, ประกรรมบางอย่างก็มีลักษณะอย่างนั้นท่านเรียกบางทีมันคติมันวิบัติคือสถานที่ที่เราเกิดมันมันไม่ดีก็คล้ายๆกับตอนหนุ่มๆตอนเด็กๆ เ, เกิดอุบัติเหตุ พอโตขึ้นมาก็เกิดไปล้มไปซ้ําที่เดิมก็อีกเลยไปเลยโรคก็กําเริบขึ้นมาเพราะของแรงมาความปัจจุบันด้วยอาณาเอสิ่งที่ผ่านมาแล้วด้วยอดีตด้วยเพราะว่าสถานที่เกิดของเราเนี่ยมันมันมันไม่สนับสนุนทีนี้คนบางคนเนี่ยอาจจะทําความชั่วแต่ว่าคติมันกเกลี้ยงสมบัติคือสถานที่เกิดมันดีมันมันมันไปต้านฐานเอาไว้ ก็ทำนองคล้ายๆกับพวกปฏิวัติรัฐประหารที่เราเห็นๆนเนี่ยนะประสบความสาเร็จยิ่งใหญ่ใครทำอะไรไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าสถานะตำแหน่งของท่านในขณะนั้นมั น, ม, น, ม, นมันใครไปทำอะไรทําไม่ได้แต่พอสถานะมาเกิดเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆที่เรามีข่าวอะไรทางอเริกาคนที วางฟองประตาอดีตประธานาธิบดีในบาปรกรรมเหล่านั้นก็ตามมาให้ผลได้ตรงนี้จึงเป็นตัวส่งทั้งสองด้านนะทัทางด้านดีและด้านไม่ดีบางทีสถานที่เราเกิดสกุลที่เราเกิดอำนวยให้บาทที่ทำไม่มีโอกาสให้ผลจะบุญมันมาสนับสนุนลักษณะบุญมาวาสนาสง่ง บางทีสกุลเราไม่ดีสถานที่เราเกิดเราไม่ดีบุญไม่ไม่มีกำลังพอจะเข้าไปช่วยบาปก็เข้าไปแทรกกลายเป็นผีสามดำรอยคอร้อร า, ายไ ร, ร่รุมหรือบางทีก็เรียกว่าอุปชิคือสุขภาพปราลาณาไมค์ของเรารูปร่างกายของเราวิบัติหรือว่าสมบัติถ้าร่างกายสุขภาพมันดีเราก็ช่วยป้องกันอะไรไว้ได้เยอะ สุขภาพร่างกายไม่ดีบุคลิกลักษณะไม่ดีมันก็ซ้าเติมอันนี้เ็าเรียกว่ากรรมชั่วมันก็ให้ผลบางทีกรรมดีมันก็ให้ผลที่นี้ตรงนี้บางบางทีก็เข้ามาเข้ามาต่อต้านกันเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทากรรมดีหรือกรรมชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเราก็ทำสลับซ้อนกันมาบางทียุคสมัย เรียกว่าการวิบัตการวิบัตนั้นความชั่วซึ่งไม่น่าจะอยากให้ผลมันเกิดให้ผลได้กรรมดีน่าจะให้ผลเกิดให้ผลไม่ได้มันก็ดูคล้ายๆกับอะไระดูง่ายๆอย่างนี้เลยกันนะดูคล้ายๆกับสมัยที่เราเรียนเราอ่อนคำนวณแล้วต่อมาเราไปทำงานซึ่งเราไม่ต้องใช้วิชาคำนวณเลย ก็แสดงความรู้ความสามารถได้เต็มที่เลยไม่มีปัญหาอะไรพอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมางานต้องเกิดไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคำนวณการคำนวณเข้าวเราเกิดอ่อนคำนวณแล้วก็ผิดพลาดขึ้นมาเพราะว่าคำนวณเราเราไม่ดีนั้นก็แสดงว่าโทษในอดีตที่เราอ่อนที่เราเรียนหนังสืออ่อนมามันเกิดมาให้ผลขึ้น การทนี้ตั้งนานแล้วยังไม่ให้ผลเพราะว่ามันไม่เปิดโอกาสไม่เปิดโอกาสให้ให้ผลและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าพู้เจ้าทรงเน้นที่เรียกว่าประโยค์คัตสมบัติคือเราเกิดมาเป็นยังไงเราก็ไม่รู้มันมั น, ม, นมันก็เกิดแล้วนะใช้าการเพียรพยายามกระทําในปัจจุบันได้ดีที่สุดเรื่องอดีตก็เรื่องอดีตไปแต่มันเกิดเป็นรับ ผลเป็นความเดือดร้อนเราก็ศึกษาวิเคราะห์ดูว่ามันสาเหตุที่มาจากที่ปัจจุบันใกล้ๆหรือเปล่าถ้าปัจจุบันใกล้ๆก็สำรวมระวังต่อไปถ้าเป็นอดีตไกลๆเราไม่รู้อ่ะมันมันไม่ดีอก็ถือว่าชดบใช้กันไปก็ เ, เลิกแล้วกันไปรื้ว่าที่มาดีก็เหมือนกันถ้ามาดีเราก็มองดูว่า มันเกิดขึ้นจากเหตุในปัจจุบันหรือเปล่าถ้าเหตุในปัจจุบันเราก็รีบเร่งทาเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้ น, นถ้าเป็นเรื่องอดีตเราก็ไม่รู้อะไรนะะแต่เราทำปัจจุบันให้ดีมันก็กลายเป็นสองแรงแข่งขันคืออดีตกรรมก็ดีปัจจุบันกรรมก็ดีก็มาส่งเสริมสนับสนุนกันคล้ายๆกับรับมรดกด้วยนะฮะแล้วขยันด้วยมันก็รวยกันให นี่คือในกระบวนการที่ทรงสอนในแนวการสืบสาวาเห็นว่ามันมาจริงๆมันมาจากความโลภความกำมนบงถ้าส่วนดีก็มาจากความไม่โลภไม่กดไม่ตรงมันผลหต่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตามนั้นเป็นผลของกุศลกับกุศลที่ออกมาเป็นรูปของกรรมคือการกระทา หมายความกุศลนะกุศลนี่จริงมันก็มีอยู่ในธรรมชาติมันไม่ได้ขาดเกินอะไรแล้วมันมีเท่าเดิมเลยนะฮะโลกจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงประชา ก, กรโลกจะเพิ่มขึ้นตั้งไรก็ตามกุศลนกุศลก็ก็มีเขอท่านเดิมแตไม่ลดไม่ได้เพิ่มอะไรแต่จะไปลดไปเพิ่มในใจของคนหมายความว่าเขาจะออกมาเป็นบุญเป็นบาปได้ก็ต่อเมื่อคนน้อมนําสิ่งเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติ เกิดขึ้นภายในใจใจต้องคิดใจต้องทำอย่คิดแล้วทาแล้วพูดหรือแม้แต่คิดเฉยมันก็เป็นบาปเป็นบุญแต่ถ้าเราไม่น้อมนํามาคิดมันก็ไม่เกิดเป็นอะไรนะฮะ ก, ก็เป็นอย่างที่เขาเป็นนี่ยแหละมันก็คล้ายๆกับแก๊สพิษเขาอยู่ส่วนส่วนเขาเราไม่เข้าไปใกล้มันก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรกับเราเขาอยู่อย่างที่เขาอยู่ ก, กุศลต้อง ก, กุศลมันก็มีรัษณะอย่างนั้นพวกนี้ยิ่งไปใหญ่เป็นนามธรรมเพราะั้นท่านยังบอกว่ามันอยู่ที่เราน้อมนำมาปฏิบัติหรือไม่หรือปล่อยเขาครอบงาจิตใจเราหรือไม่ทีนี้ในในกระบวนการของกรรมเนี่ยพระอ า, าจารย์ท่านนำมาอธิบายเสียพิสดาร แต่ท่านอธิบายแค่สิบสองสิบเอ็ดนะฮะท่านท่านทั้งหลายของนืก อ, อกว่าที่เราเคยพูดกันมาครก่อนพูดเรื่องกรรมสิบสองแต่ในระสูตรนี้ท่านอธิบายแค่สิบเอ็ดข้อคือไม่ไม่อธิบายอาโหสิ ก, กรรมอาโหสิ ก, กรรมเระ ก, กรรมที่ให้ผลเสร็จแล้วหรือกรรมที่ไม่มีโอกาสให้ผลก็เป็นอาโหสิ ก, กรรม บางอย่างมันมันมันให้ผลไปจบเสร็จแล้วก็จบกันแต่บางอย่างเนี่ยที่จริงมันมันยังไม่ได้ให้ผลหรอกเพียงแต่ ว, ว่าไม่มีโอกาสจะให้ผลอย่างเช่นพระโมคกคลลานะไอ้พระองคุลิมาณ น, นะพระองคุลิมาณที่เราเคยศึกษาเรื่องพระองคุลิมาณมาพระองคุลิมาณ์ต้อก็ทําอะไรไว้เยอะแต่ผลท้ายท่า น, ท, านท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระหรันแล้วท่านก็นิพพานอายุ น, น้อย มันรู้อารหันไปกี่เป็กี่ปีถ้ากรไดผ่านเนี่และเพราะนั้นบาปเหล่านี้มันก็ตามให้ไม่ได้เพราะมันไม่มีขันรองรับกรรมเหล่านั้นเราเนี่ยก็ถือว่าอาวุโสกันอาวุโสแปลว่าไม่ได้มีแล้วน ะ, ะแปลว่าไม่ได้มีแล้วคือความหมายความก็จบกันทีนี้ในการให้ผลของกรรมเนี่ยท่านก็เรียงไปตามลําดับ ซึ่ท่านต่างหลายจะเห็นว่ามันมีความสอดคล้องกันถ้าเราถ้าเราจะนับตั้งแต่ต้นจริ ง, รงๆนะฮะต้องนับกรรมหนักกรรมประเภทหนึ่งเรียกว่ากรรมหนักหนักมันหนักเพราะอะไรหนักเพราะความเข้มข้นของโลภะโทสะโมหะกับความเข้มข้นของอโลภะอโทสะโมหะเวลาทำไปตามความรู้สึกตอนนั้นเขาเรียกว่ากรรมหนักในแง่ของอาปิธรรมจริงๆ่งนะฮะ เดียร์พิธมก็พูดถึงชวนะจิตอิจิตมันมั น, ม, นมันเกิดเจ็ดเจ็ดขณะเรียกวเจ็ดชวนะถ้ามันทำได้ในชวนะแร ก, กเกิดปู๊ขึ้นมากโกรธเต็มที่ยิงเปรี้ยงเลย mm hmm. คือแสดงว่าแรงมากกิเลสเกิดแรงนะความพยายามแรงแล้วก็สิ่งที่เราทำนั้นแรงบาปก็แรงแต่ทีนี้ถ้าเกิดในช่วงหลังๆเนี่ย แล้วเราสังเกตว่าเช่สมมุราคิดจะทำเนี่ยถ้าเราทําในขณะนั้นจะเป็นกุศลในกุศลก็ําจะแรงผลจะแรงได้ตามปกติคนทำอะไรก็ได้เพรบาปแรงๆยังมีคนสวยน้อยนะไอ้แบบุญแรงๆก็มีคนทําได้น้อยมันต้องคิดแล้วคิดอีกจะทําความดีอะไรมีคนเชิญชวนทําความดี มนเกิดสนใจอยากทำพอล้วงสะต่างมาเกิดเสียดายคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกผลท้ายโอกาสก็ห่างไปแล้วก็จำนวนที่เราจะบริจาคก็ลดลงไปนั้นแสดงว่าความโลภมันมันลดได้น้อยความโลภลดได้น้อยอย่างที่เคยเล่าถึงพรามจุเลกับสาดุ ที่แกมีผ้าห่มผืนเดียวสองคนผัวเมียแล้วไปเฝ้าฟังเทศกับพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนกันไปนะฮะผัวเพ่อผัวอยู่บา้านเมียก็ไปเมียอยู่บา้านผัวก็ไปคือนึงผัวไปก็ศรัทธาเลื่อมใสในธรรมเทศนามากยากจะถวายผ้าห่มมันไม่มีอะไรถวายเลยจะม า, าถวายผ้าห่มก็หนาวนะปะนัญหาว่ามันยัไม่ได้ปรึกษาเมียด้วยคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกยามแรกก็ไม่ได้ถวาย คิดยามที่สองเอาอีกอะไม่ได้ถวายคิดถวายจนสุดท้ายนะฮะตอนใกล้รุ่งเึงถวายแต่ท่านก็เปล่งว่าจิตังเมจิตตังเมเราชนะแล้วเราชนะแล้วพระเจ้าประเสณ น, นิโคสุลไปทำสงครามมาปราบปรามจัดแดดมาแล้วแวะเข้าวัดวนะฮะประมากระสัตร์สมัยโบราณน่าดูนะ ไปตามสึกตุ๊กคาบมาแวะเข้าวัดขวงเทศก่อนแทนที่จะเข้าวังไม่เข้าวัดก่อนนังขวางเทศเราได้ยินเข้าพอสอบถามแต่ก็เล่าวความคิดความท่าในขวามพระเจ้าประเสริฐนีกูสนเรื่อมใสมากพระเจ้ทานของอย่างละแปดแปดอย่างท่าตแปดคนทาสีแปดคนหมู่บ้านแปดหมู่บ้านนะฮะ ก็ทั้งๆ ท, ทั้งหมดในแปดหมดเล้พระเจ้าทรงแสดงว่าเนี่ยที่จริงเมี่ยถ้าเขาถ้าเขาบริจาคได้ในมัชชิมายามเนี่ยเขาจะได้อย่างละสิบหกไม่ใช่อย่างละแปดแต่ถ้าเขาบริจาคได้ตอนปฐมายามหรือคิดครั้งแรกแล้วก็ทำเลยเนี่ยเขาจะได้อย่างละสามสิบสองไม่ใช่อย่างละสิบหกไม่ใช่อย่างละแปดไม่อย่างละสิบกแต่จะได้อย่างละสามสิบสอง นั่นจันเจย ว, ว่าโอกาสโอกาสมันมันมันหายไปกุศลและเจตนากำลังออนไปเรื่อยนะกิเลสมันก็มันก็เพิ่มบริมาณขึ้นเรื่อยกว่าจะสละได้ก็ผ่านการเวลาไปจ้ะทีเราเราก็เคยเคยพูดถึงเศรษฐีบุตรสองสามีปัญญาไอ้นั่นคือคือชิ้งโอกาสทำความดีเหมือนกัน มีโอกาสทำความดีแล้วไม่ได้ทำเลยนะฮะไม่ได้ทาเลยนั่นมากความว่าบารมีมันก็ลดลงไปลดลงไปล ด, ไ ป, ลดไปก็แสดงว่ากิเลสมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพระเจ้าบอกว่าสัตว์เศรษฐีสองคนสามีพันยาคู่เนี่ยรวยมากอะนะมีสมบัติคนละแปดสิบกดเป็นลูกทนข อ, ของครอบครัวทั้งคู่แล้วก็มาแต่งงานกันก็นมีเงินก็160กร้0ยหกสิบ ธรรมดานะ0้ยหกสิบโกรธไม่ใช่หกสิบโกรธกรีบนะฮะกหาปเละรนะวยมห า, าศาลมากแต่ว่าไม่รู้จักการบริหารทรัพย์ไม่รู้จักใช้สายทรัพย์คมหาสมาคมคนไม่ดีเลเพราดพลาดไปเรื่อยๆตอนพร้พุทธเจ้าไปพบมันพบเป็นขอทานพระพุทธเจ้าสงย้อนอดีตให้ดูว่าพวกเราเนี่ยทาท ถ, ถ้าออกบวชในตอนปฐมวัยสามีจะเป็นถึงพระนาคามี ปัญญาจะเป็นถึงพระส ก, กาทาธคามีถ้าไม่ออกบวชแต่ว่าใช้ทรัพย์ซึ่งมีทุนอยู่160ร้อยกสิปเนี่ยประกอบธุรกิจกลางงานจะเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในเมืองนี้แต่ก็ทำไม่ได้ทั้งสองอย่างแม้ได้ทั้งสองอย่างเอาแหละปล่าปล่อยเวลามาถึงมัชิมวัยถ้าทำได้เนี่ยถ้าผัวออกบวชผัวจะเป็นพระส ก, กิธคามีปัญญาจะเป็นมส ด, ดาบัตมัิมาวัยนะก็ปรากฏว่าทาไม่ได้ ถ้าไม่ออกบวชแล้วทรัพย์สมบัติที่เหลืออยู่มากพอเนี่ยลงทุนก็จะเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากคนนึ่งทำไม่ได้ถ้าปัดฉีดมาไวเกิดธรรมนะผัวออกบวชจะเป็นพระโสดาเมีย จ, จะเป็นกัลยาณปูุชนถ้าใช้ทรัพย์ประกอบการงานจะเป็นเครือบดีที่มีฐานะดีไม่เดือดร้อนอย่างเงี้ยแต่ตอนพระเจ้าครบเป็นขอทานแล้วนะเป็นขอทาน เห็นหมว่าโอกาสโอกาสที่เราชิงไปเนี่ยกิเลสมันเพิ่มเพราะงั้นเวลาจะสอนให้ทำความดีพระเจ้าจึงบอกทํำเร็วๆทำเร็ว ๆ, ๆนะตัดจินใจนะถือว่าเร่จำนวนบรว่ารหังปรเิเวรหังบรเวชันก่อนชันก่อนชันก่อนคือขอรีบเร่งทําก่อนเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยปริมาณของความโลภโกรธหลงเนี่ยมันจะเกิดท่วมแล้วเราก็ทําไม่ได้เพราะมีเป็นอันมากกุศลกรรมแต่เราตั้งใจะจะทําแล้วทําไม่ได้ แต่ก็มีเป็นอะไางเหมือนกันอกุศลกรรมที่คิดจะทำํำแต่เราก็ทําไม่ได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่ากุศลกรรมมันเกิดไปหยุดเอาไว้ไปสกัดไว้ไปข่มไว้แต่มายความว่าคนเหล่านั้นจิตใจมีพื้นฐานดีไปสมควรนะฮะแต่ถ้าคนบางคนเนี่ยมันรู้อํานาจแก่รมสตเตแดงความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความโกรธแ ร, รงก็รู้อหน้าแก่ ร, ร, ร, ร, รคมรคือนึกจะ กดจัดก็ทันทีเลยนึกข่าก็ฆ่านึกทำอะไรก็ทำใช้วิธีรุนแรงหรือว่าคนที่มีพื้นฐานของความไม่โลภไม่กดไม่หลงมีอยู่มากเขานึกจะทำความดีก็ทำได้ทันทีเลยนี่ก็อยู่ดีพื้นเพราะงั้นพวกเหล่านี้ก็คือความเข้มข้นของความไม่โลภไม่กดไม่หลงมันก็กลายเป็นไม่ใช่ความเข้มข้นของโลภกดหลง ก, ก็กลายเป็นกรรมที่แรงเรียกกรรมหนักคือการุกกรรม กำหนักในฝ่ายที่เป็นอกุศลแรงจริงๆนะคือมิจฉาทิฏฐิแรงรองลงมาคืออ น, นันตเรกัมข้าพ่อข้าแม่ข้าพระหันทำร้ายพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำสังฆเภทถ้าเป็นพระแถมม อ, อีกข้อหนึ่งนะฮะเป็นนับถือศาสนาอื่นทั้งๆอย่างเป็นพระไปเข้ารีดนับถือศาสนาอื่นทั้งๆอย่างเป็นพระอันนี้เป็นบาปกรรมแรง ตอนนี้มีข่าวเตอฟังแล้วมาว่ามั น, มนเราคงจะสับสนอะไรกันบ้างนีฮะแต่วัดธีรังกาเนี่ยประท้วงประสันตปะปาปาไปบอกว่าพระสันตปะปาทานว่านิพพานเนี่ยไม่มีจริงอ่ะคนจะพ้นความทุกข์ได้ต้องต้องนับถือพระผู้เป็นเจ้านิพพานในศาสนาพุทธไม่มีจริงเพื่อกบว่าท่านท่านท่านพูดมเมื่อวานนี้ ท่านบอกว่าท่านนับถือาศาสนาพุทธมานานโยมนราต้องนถือศาสนาพุทธมานานท่าไม่ได้ว่าเรื่องตรงนั้นนะแต่ลังกาประตูงมรู้จะมีปัญหานะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเข้าใจนะฮะท่านบอกาศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้าที่จริงก็ถูกแล้วาศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้านะาศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้าที่ท่านที่ท่านรับสั่งเองท่านบอกว่ า, าศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้าแต่ท่านก็นับถือศาสนาพุทธมานาน ก็ถูกต้องไนงะเราก็ไม่มีประเจา้าไม่โกรอะไรแต่ว่าไม่ทราบสื่อสารกันกันยังไงอะนะฮะก็เกิดเป็นความสับสนขึ้นมาสายตาประท้วงก็ค่อนข้งางจะน่าเกลียดอลังการนี่ยก็พูดก็ยากกันในบางทีก็ยั่วขึ้นมาเนี่ยเอาเอาเรื่องไงนะฮะเอ่อนี่ก็คืออะไรก็คือว่ามันเป็นอาการของความโลภความโกรธความลง ที่เรโกรธเดี๋ยวบางทีเราไม่เข้าใจเราหลงเราไม่เข้าใจที่เราโลภกกเพราะเราหลงเพราะนั้นเราจะเห็นว่ากิเลสที่แรงจึงเป็นหลงเพราะหลงนั้นมีโทษมากและก็หายได้ช้าคนที่ละหลงได้เด็ดขาดจริงจริงมีเฉพาะประจารันเท่านั้นคนอื่นละความหลงไม่ได้เพราะนความหลงก็คือกลัวอวิชชาถ้าเจอวิชชาที่ทีที่แรงก็คือการเห็นว่ากรรมไม่มี แล้วก็บุญบาปอะไรเนี่ยปฏิเสธหมดเลยสงฆ์ใช้คำว่าถ้าความเห็นอย่างนี้มันก็พูดง่ายว่าไม่ผุดไม่เกิด่ะนะเรียกวัตถะคานุคือไปหลักปลองของวัตถะมันมีโอกาสพัฒนาให้มีความเจริญ แ, แสดงวันนั้นคือควา ม, ม, วาม เ, เข้มข้นของกิเลสก็เป็นเหตุทากรรมเป็นเหตุมีความเห็นอย่างนี้ยความเห็นแรงอย่างเนี้ยพแรงอย่างนี้เขาไม่ได้แคร์อะไรนะฮะเขาก็ทําไปตามความสบาย นึกจะฆ่าก็ฆ่านึกจะรักก็รั ก, ก, กนั่งจะทำอะไรก็ทำนั่นคือกระแสที่สืบเนื่องมาจากความเห็นว่าไม่มีบาปไม่มีบุญคนเราอย่างน้อยต้องเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญไว้ยอมรับเรื่องบาปเรื่องบุญไว้มันจะหยุดยั้งตัวเองไว้ได้ทีนี้ไปเสรบาปบุญไปเสรนรกถวันนี่อันตรายเพราะคนจะไม่มีความรับผิดชอบ ทำไมยังไปเสด็จเพราะที่ยริงเรโมหะคือความหลงความหลงไม่รู้จริงจึงโลภจัดจึงโกรธจัดก็มาจากหลงจัดทีนี้ฆรารรมฝ่ายที่เป็นกุศลเมื่อเกิดมาจากความเข้มข้นของความไม่โลภไม่โกรธไม่ห ล, ล, ล, ลงจิตใจปกติคือคนดีพวกสัตว์ปุรุษพวกบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยตันเจนว่าโลภน้อยโกรธน้อยหลงน้อยนะฮะพวกเราเนี่ยแล้วพร้อมที่จะเสียสละละวาง พร้อมสงครอะ์งคราะคนอื่นพร้อมที่จะอภัยอดทนรอคอยสงบใจจากอารมณ์ที่เป็นการศึกษาหลายมาความควบคุมตัวเองได้ผลการกระทาของท่านนั้นจะมีเหตุผลที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความสงบระงับเพื่อความดับ ที่พระจ้ส่งแสดงไวตั้งแต่ปฐมเทศนานะฮะปัญญาญาสมุททายะนิบานาญาตทั้งหมติตนี้ก็ว่าอย่างนี้ทุกทีฟังด้านใจเิญเรื่องของกุศลทําความดีไปเรื่อยกุศลที่เป็นเรื่องของสารวัตนะเรเนี่ยนะหรือได้แก่พวกฌานถ้าพวกมรรคผลแล้วมันเลยไปแล้วนะฮะเลยไปแล้วมันสูงสูงไปแล้ว แต่ว่าเขาเรียกครุกรรมฝ่ายที่เป็นกุศลก็คือการได้บรรลุฌานได้รูปฌาไปนไปจนปนายนะไปผงก็สมาธิแต่เห็นว่าโลกก็ลดกก็ล ด, ล, ดลงก็ลดมันมันสงบนิวรณ์นะ่ะสงบนิวรณ์อาการในความโร ก, กดหลงไม่มีภายในใจท่านแต่ไม่ใช่ไม่ใช่หมดนะเพียงแต่ว่าสงบลงไปนี่ก็คือครุกรรมฝ่ายที่เป็นกุศลตามปกติแล้วเนี่ย คนที่โลกปดหลงเข้มข้นหรือว่าโลกมะปกดปหลงเข้มข้นเนี่ยจึงมีน้อยนะในโลกเนี้ยมีน้อยเพราะนคนที่ทําบาปรุนแรงจึงมีน้อยคนที่ทําบุญรุนแรงก็มีน้อยเราลองดูสมัยพุทธกาลเนี่ยชัดมากเลยคนที่ทําบุญวันนั้นได้รับผลบุญวันนั้นนะ่ะนะนะนะมีอยู่หกคนเ น, นั้นเองคนทําบาปวันนั้นได้รับบาปในวันนั้นตกนรกถูกทนรมสูรเลย มีห้าคนนั้น น, นั้นเองเนไหอันนี้ชัดมากสี่สิบห้าปีในยุคสมัยพระเจ้าอย่างทรงเป็ชนจูคนทําบุญระดับทานนะผู้ระดับทานที่สมบูรณ์หมดเลยได้สมบูรณ์ด้วยสมรัตาคุณสี่ประการหมายความว่าคนที่รับนั้นก็เป็นผู้ที่บริสุทธิ์เป็นพระนาคามีขึ้นไป สิ่งที่ได้มาบริจาค ก, ก็บริสุทธิ์เจตนาเราก็บริสุทธิ์แล้วท่านที่รับทานเรานั้นเป็นเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆเราทำบุญกับท่านคนแรกมีอยู่หกรายแล้วก็ที่ถูกตอนนี้สูบ ก, ก็มีอยู่ห้ารายนั้นแสดงว่าฝ่ายแรกนะชุดแรกหกคนเนี่ยก็แสดงว่า โ, โรคโกรธงน้อยไอห้าคนก็โรคโกรงแรง เพราะ้นคนกลุ่มนี้ที่จริงมีไม่มากมันไปมีมากอยู่ที่กลางกลางนะไปมีมากอยู่ที่กลางกลางหมายความว่าทําดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างที่พระเจ้าทรงอุปมาเมื่อคนตกลงไปในน้นําเนี่ยฮะโผล่ขึ้นมาได้บ้างแล้วก็จมลงไปบ้างอะไรเนี่ยมากๆค่อนข้างมากแต่คนที่ประคองตัวไว้ได้ตลอดโดยน้ําพัดมาอย่างไงไม่จมเนี่ยที่จริงก็หายาก ยิงคนขึ้นไปถูกฟังแล้วก็ยิ่งหางยักษ์ก็คือสุขวางนั้นท่นับจากประสูติบานขึ้นไปเพราะเมื่อก ร, รมนี้ไม่มีจะมีกรรมอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกภูร ก, กรรมก็คือกรรมที่มีการสะสมการให้ทานบ้างละศาศินบ้างจเจริญภาวนาบ้างนะฮะแต่ก็ไม่เต็มที่สักอย่างหนึ่งศีลก็ไม่ถึงก็ บ, บริสุทดหมดจดอะไร สมาธิก็ไม่ถึงก็สงบมากมายอะไรปัญญาก็ไม่ถึงก็สามารถที่จะถ่ายถอนตัญหามานติทิฏฐิลงไปได้ก็ประคองตัวไว้ได้ไม่ถึงก็จมหายลงไปเลยหรือว่าในกรณีของทำบาปเหมือนกันนะมันไม่ถึงกันแรงไม่ถึงกรงืแรงแรงจะไปฆ่าพ่อกฆ่าแม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะ่ะมอาจจะมีค่าสักมีลักทรัพย์มีพฤตปิดในกาไปบ้าง แต่ว่าองค์ประกอบของบาปมันไม่แรงก็เรียกผูลกรรมตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะให้ผลในระดับนี้ทีนี้ถ้ากรรมในลักษณะนี้ไม่มีอีกก็แแดงก็ดีบ้างนะมันก็เรียกว่ากัตวาปน ก, กรรมหรือกัตตากรรม หรืว่ากรรมที่ศักดิ์แต่ว่าทำทำเล็กๆน้อยๆอย่างที่เขาถามว่าเราเดินไปเหยียบมดตายนี่เป็นบาปไหมเออที่จริงไม่บาปนะครแต่อาจจะเป็นเวรอาจจะเป็นเวรคือว่าเขารู้สึกโกรธที่เราไปเหยียบเดาตายแล้วเขาก็จองเวรเราอันนี้เราก็ไม่รู้อย่างที่ท่านเล่าถึง พระภิกษุรูปหนึ่งเย็บจีวรไปเสียบอโลเล่นกลางตัวเลยพระก็ไม่รู้ว่าเย็บจีวรเลนมันพยาบาทจ้องล่างจองขานนั่นในที่สุดในชาติสมัยพุทธกาลเนี่ยภิกษุรูปนั้นก็กลายมาเป็นภิกษุอีกแต่เล่นมันกลายเป็นนายพรานเกิดมาเป็นนายพรานพระท่านรู้ว่านายพรานเนี่ยถ้าเจอพระแล้วก็ถือเป็นอัปมงคลไอ้นายพรานเดิมมาท่านก็หลบไปอยู่ที่พุ่มไม้ พรานเดินสวนมาท่นขยับตัวกิ่งไม้ก็ไหวนายพรานนึกว่าเป็นสัตว์ไม่ได้นึกว่าเป็นพระแล้วก็พุ่งพุ่งพุ่งหอกชั่วเข้าไปก็แทงถูกพระตายเลยไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาเล่นก็ตายโดยไม่เจตนาของพระพระก็ตายโดยไม่เจตนาของนายพรานอันนีกกก้ก็ลักษณะเป็นเวรหมายความว่า เราไม่เจตนาเราไม่ได้เป็นกรรมแต่มันก็อาจจะเป็นเวทได้แต่กรรมที่ท่านแม่ที่บายวันนี้ ท, ที่ที่ในในในเนี้ยแต่ว่าตอนตอนสรุปท่านก็นมาพูดนะพูดอาสน ก, กรรมกรรมไม่ชนจะดับจิตตรงเนี้ยที่ที่ที่พูดเรื่องมหาการรมพังกระสูุนตะกี้เนี่ยว่าเราทําความชั่วในปัจจุบันหรือทำความดีในปัจจุบันแต่ว่าผลมันมต่างกัน ทำความชั่วในปัจจุบันแล้วตายไปบังเกิดในสุกติทำความดีในปัจจุบันแล้วตายบังเกิดในทุกติเอมันเป็นยังไงไปตรงนี้คืออาจจะนะอาจจะเป็นเรื่องของใจที่เกิดขุนมัวเศร้าหมองขึ้นหรือจิตผ่องแพรวขึ้นก่อนจะดับจิตต่างๆ่งนเราทำความชั่วมาเยอะแต่ว่าก่อนจะดับจิตมันใจมันเกิดมันเกิดผ่องแพร่ อย่งแนวสมัยโบราณเอามาว่าสมัยนี้นะสมัยนี้ที่ที่จริงสร้างใจให้มันคุ้นเนี่ยฟังเทพธรรมะฟังสวดมนอะไรแต่ไรไว้ให้คุ้นคุ้นหูแล้วถ้าเจ็บไข้ไม่สบายลูกหลานก็หยิบเทพมาเปิดให้ฟังให้ใจมันอยู่กับเสียงสวดมนให้สงบอยู่กับเสียงสวดมน สมัยโบราณต้องในบนพระไปสวดสมัยนี้คงไม่ต้องอ่ะนะเปิดฟังเทพมุ่งคุณบริจิตใจสงบอยู่กับบทสวดมนต์เหล่านั้นจิตก็ของพรได้ทีบางคนาอาจจะทําความดีมาแต่ก่อนจะดับจิตมันจิตปเป็นเหนียวอะไรขึ้นมาก็เกิดจิตเศร้าหมองก็อาจจะตกนรกได้ส่วนความดีความช่วยในปัจจุบันก็ ย, ยกยอดไปให้ผลอันนี้คือประเภทกรรมที่เราทําในชีวิตประจํำวันเราจะเห็นว่า มันจะอยู่สามประเภทหลังไอ้ประเภทแรกเนี่ยมันนานๆนะนะจะเจอเนี่ยคนเราเกิดมาชาตินึงก็หาคนทำอย่างนี้ยากนะฮะทั้งดีทั้งไม่ดีขนาดนั้นด้ทั้งดีขนาดนั้นทีนี้เมื่อเราเมื่อเราทำไปแล้วกรรมเหล่านี้มันจะออกมาในรูปของการให้ผลในชาติปัจจุบันให้ผลในชาติปัจจุบันก็กลายเป็นก็เรียกขนกับกรรมคือกรรมที่ทำให้เรามาเกิด เราเกิดด้วยกุศลหรืออกุศลก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่แต่ว่ามันก็บ่งบอกนะฮะที่บ่งบอกไว้ในจุละกะมลอยพังกสุทธิ์เช่นว่าผิวพัรร์ดีผิวพันรรณไม่ดีสติปัญญาดีสติปัญญาไม่ดีอายุยืนอายุสั้นนะสกุลสูงสกุลต่ำสกุลรำ่ำรวยสกุลขัดสนได้แต่นี่ ในส่วนที่ดีนั้นท่านถือว่าเป็นผลของบุญศุลกรรมที่นำํำมาเกิดในสถานที่ดีโดยแสดงนะแสดงว่า น, นี้เป็นผลตรงคือกรรมส่งมาเกิดเลยแต่กรรมที่เป็นยนต์ ก, กรรมเนี่ยจริงๆเขาเขาส่งเกิดก็จบแล้วนะฮกระจบแล้วเขาก็ทำหน้าที่ได้แค่นั้นต่อไปมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าอุปถรัรมภกกรรมคือกรรมเด็เข้ามาสนับสนุน ก็มาสังกรรได้เข้ามาสนับสนุนเอาเฉพาะอดีตนะนะเราจะเห็นว่ามันเกิดเป็นวิถีชีวิตขึ้นมาสองกระแสแกระแสหนึ่งที่เรียกว่ามืดมาแลยก็มืดไปหมายความว่าเราก็เกิดมาด้วยอกุศลกรรมและอกุศลกรรมก็ตามมาหนุนให้แย่หนักยิ่งขึ้นอีกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่ามืดมาแล้วสว่างไป หมความกุศลกรรมอกุศลกรรมส่งหมายเกิดไม่ดีแต่ว่ากุศลกรรมก็ตามมาเบียนไอตรงไอเขาเรียกว่าอะไรสว่างมาสว่างไปเดีย๋ยวสว่างมาสว่างไปหมายความว่าเกิดมาในสกุลที่ดีแล้วความดีก็เข้ามาสนับส น, นุนก็ทําให้ดีมากยิ่งขึ้นไม่มีอยู่สองกระแส ทีนี้เนื่องจากเราทําทั้งดีทั้งไม่ดีนะบางทีชนก ก, กรรมส่งเรามาเกิดในสกุลที่ดีแต่ก็มีกรรมอย่างหนึ่งคือกรรมไม่ดีเนี่ยเข้ามาเบียดทําให้ลดผลของความดีลงไปเห็นว่าเกิดพลาดพลาเกิดสูญเสียอะไรแต่ไรทีนี้ในกรณีนี้ ละครที่เขานำดูวันนี้พอดีเขาพิธีกรก็ไม่ถามจะตอบก็น่าเกลียดคือลูกเป็นนักเลงไม่ใช่พ่อเป็นนักเลงเก ม, ม, ม, มาเลกเกเรมาแล้วเคยยิงคนนะเคยยิงครับแล้วก็ต่อมาก็ไปแต่งงานมีครอบมีครัวมีลูกก็บังเรียนหนังสืออายุสิบกว่าพวกเดินอยู่ก็ถูกลูกหลงตาย แล้ครูก็อธิบายวาเนี้เพราะกรรมที่เธอไปฆ่าไปฆ่าเพื่อนไม้ไปยิงเพื่อนไว้ตั้งแต่เด็กลูกก็มาโดนลูกลงไอ้ น, นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะนะแหมมันคนหนึ่งทําคนหนึ่งรับอย่างไงหมายความมันเรียวกว่ากรรมที่เป็นสภาคกันคือว่าเราเนี่ยอลูกเนี่ยก็แสดงว่าเคยทํากรรมในลักษณะเดียวกับพ่อเนี่ยเคยทํากรรมมาในลักษณะเดียวกับพ่อแล้วก็ตัวเองก็เลยก็มารับกรรมอย่างนั้น แล้วมันก็เข้ากลุ่มกันแค่แค่นักเลงตูราเข้ากลุ่มนักเลงตูรานักเลงเรื่องการบรรนานเข้ากลุ่มนักเลงเรืองการบรรนานมันเข้ากลุ่มกันคนนมันก็เข้ากลุ่มกันที่พระเจ้าทรงแสดงเรื่องท่านกุลบิดานกุลมารดาแต่ว่าสามีพัญญาหรืจริงไม่ไม่ใช่สามีปัญญาก็อะไรก็ได้ที่เกิดร่วมกันนเรื่องเรีวศรัทธาเสมอกันศีเสมอกันความเสลียวลาดเสมอกันปัญญาเสมอกันมันก็เกิดร่วมกัน เกิดเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อแม่ลูกเป็นสามีภรรยากันอะไรต่างๆที่จริงก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวหรือบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไปเกี่ยวข้องมันอาจจะกรรมปัจจุบันนั่นแหละเพราะเราไปไปอยู่ในหมู่ตรงนั้นพอดีก็ mm hmm. เ, เรียกอาเสวนาปัจจัยคือการเข้าประหารสมาคมแต่ไม่ใช่ว่าพ่อทำแล้วมาให้ผลแก่ลูกมันไม่ใช่อย่างนั้นมนมันลูกก็คือลูก พ่อก็คือพ่อมันไม่ใช่ไปให้กันอย่างนั้นตั้งแสดงโอนกรรมกันได้อย่างนั้นก็แย่สิคือเรามีกรรมเป็นของคนตนนะนะอย่าลืมประเด็นว่าเรามีกรรมเป็นของคนตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมเพียงแต่ว่าท่านเรียกว่าสภาพกันคือกรรมมันอยู่ระดับเดียวกันแล้วคนก็มาก็มาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันก็คล้ายๆกับอย่างเนี้ยคล้ายๆกับที่เคยเล่าเรื่องนังคุณชุติรานะที่ว่า พวกนางสาวมารวดีทั้งปราสาทถูกไฟครอกตายหมดเนี่ยคนดังห้าร้อยนิ่งๆมาอยู่ในปราสาทเดียวกันได้ยังไงแต่ก็ไม่รู้ถึงเวลาท่านๆนั้นก็มีความรู้สึกท่านอยากเข้าปราสาทอะอยากเข้าปราสาทคนห้าร้อยก็ต้องอยู่กระจัดกระจายกันคนละบ้านคนละที่กันแต่ถึงวันหนึ่งไม่รู้ใจใจท่านคิดยังไงไม่รู้กัต่างคนแล้วก็มามาเสร็จแล้วก็มาตายนั่นคือแรงบันดาลของกรรม ที่เคยเล่าเรื่องโพวทหารก็พระวิถูตระพระอะไรเนี่ยนะมีลักษณะยังเรียกกรบมัสภาพคือกรรมระดับเดียวกันกรรมระดับเดียวกันแล้วก็เกิดมาต้องให้ผลในกรณีนี้ก็หมายความว่าลูกเนี่ยเคยทํากรรมระดับเดียวมาระดับเดียวกับพ่อมาแล้วก็มาเกิดเป็นลูกของพ่อเพราะว่าเขาศรัทธาศีลเสมอกันระดับเดียวกันก็มาเกิดด้วยกันไม่ได้หมายความว่าดีด้วยกันนะแต่จริงไม่ดีด้วยกันก็มาเกิดร่วมกัน ตรงนี in <ah ้ม <ah ันก็กลายเป็นวิถีชีวิตกระแสหนึ่งที่เรียกว่าถ้าเราเกิดด้วยกรรมชั่วแล้วกรรมดีเข้ามาเบียนเนี่ยก็เรียกว่ามืดมาแล้วสว่างไปถ้าเราเกิดด้วยความดีแต่กรรมชั่วเข้ามาเบียนเนี่ยเขาเรียกว่าบ้าสว่างมาแล้วก็มืดไปก็กลายเป็นกระแสชีวิตสีกระแสสีกระแสหลักมืดมาแล้วมืดไปมืดมาแล้วสว่างไปสว่างมาแล้วมืดไปสว่างมาแล้วสว่างไป ประเภทแรกแย่ตลอดประเภทที่สีดีตลอดประเภทที่สามประเภทที่สองเบรตประเภทที่สามต้นร้ายปลายดีกับต้นดีปลายร้ายเห็นไหมมันก็วิถีชีวิตคนมันก็มันก็มีอยู่สีแนวแต่นั้นเองแต่ว่ากรรมบางอย่างเนี่ยเป็นกรรมที่หนักแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสให้ผลคนชิงตายไปก่อนเขาก็ตามมาให้ผลเขาเรียกอุปคาตกรรม อาจ ด, ดีก็ได้อาจไม่ดีก็ได้นะแต่เขาแรงมากเลยพวกนี้เขาเรียกอุปคาตกรรมคือกรรมมาฆ่าผลของชนกกรรมผลของกรรมดีอุปธรรมฆ่าบทเลยแล้วเขาก็ให้ผลแทนเองเลยพรางค น, คนบางคนนี่ไปหน้าดูมาหน้าดูเลยนะทั้งดีทั้งไม่ดีเลยเอ๊ะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเอ๊ะไม่น่าจะเป็นอย่างนี้แต่มันก็เป็นนะนั้นเราพูดถึงอดีตกรรมก็คือเรื่องกรรมที่ดีหรือไม่ดีมาให้ผลนะเช่นว่ามืดมา แล้วก็ให้สว่างไปเลยแล้วรู้ว่าออสว่างมานะฮะแล้วให้มืดไปเสเลยมาความกรรมกรรมชั่วเข้ามาตัดแล้วให้ผลเสเองให้เกิดการพลาดพลา ด, ลาดสูญเสียอะไรแต่ไรเนี่ยนี่คือแนวของของการตามมาของกรรมก็มีทั้งที่กรรมทําให้เกิดกรรมที่มาบีบ มาเบียนให้ให้ให้ให้ผลของการเกิดน้อยลงไม่ใช่กรรมที่มาอุปถัมภ์ดีก็ให้ดีมากยิ่งขึ้นไม่ดีก็ให้ไม่ไม่ดีมากยิ่งขึ้นกัมหนึ่งมาเบียนเช่นว่าไม่ดีก็ให้ไม่ดีน้อยลงถ้าดีก็ให้ดีน้อยลงแล้วกัมหนึ่งคือมาตัดไปตัดแล้วทำบางทีให้ผลเสียเองทีนี้อีกอีกประเภทหนึ่งเนี่ยกรรมพวกนี้ท่านท่านท่า น, านเห็นว่าที่พูดในตอนต้ น, น, น, นว่า ก็บอกไม่ได้ว่ามันเป็นกรรมอะไรแต่ที่แน่นอนที่สุดเนี่ยคือว่าที่เป็นความสุขความเจริญก็ผลมาจากความดีที่เป็นความทุกความเดอดร้องก็ผลมาจากความไม่ดีเพราะว่าการให้ผลของกรรมมันจะมีอยู่สามสี่ช่วงนะสี่ช่วงด้วยกันช่วงแรกคือให้ผลกันในปัจจุบันอันนี้คือแนวจะดีหรือไม่ดีอย่ันที่บอกนะครับ หมายความถ้าไม่ดีก็ตกนรกกันแรงๆนะฮะพวกแรง ๆ, รงๆคเครียกวิชอนจิตแรกเลยแรงๆอย่างนางกินจามันิไกมันก็ใส่ร้ายพู้เจ้าตรงนั้นแล้วก็ถูกทัวนสูกตรงนั้นคนก็บอกว่าโดนประชาธิป์ษูดเกินไปนะประชาทิปัตย์อะไรมันมันถูกทัวนสูกจริงๆเราเราเราเเราไปคิดไปคิดด้วยความรู้สึกของเรานะจริงๆแล้วเราต้องมองว่า คนทำบาปกรรมขนาดนี้ในโลกปัจจุบันไม่มีไปประทุสลายพระพุทธเจ้าขนาดนั้นไม่มีนะไม่มีพระพุทธเจ้าประทุสลายเห็นไหมหรือประทุสลายนางพิษุณีอย่างนันทมานบเนี่ยมันก็ไม่มีนางพิษุณีประทุสลายอย่างนั้นนางพิษุณีที่ทรงคุณธรรมสูงสูงทร ง, งอย่างพระบุญวนาแล้วก็มีคนปฏิทุสลายท่านเนี่ยมันไม่มีอ่ะเพราะเราจึงหาตัวอย่างไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีตัวอย่างเพียงแต่ว่าไอ้เงื่อนไขที่จะเกิดตัวอย่างมันไม่มี เพราะว่าการกระทํานั้นจะต้องบาปแรงมากโลภแรงมากโกรธแรงมากหลงแรงมากแล้วก็ก็เรียกว่าเจตนาแรงฮะวัตถุใหญ่ความพยายามมากซึ่งขนาดนั้นเราก็หา ย, ยากจึงไม่มีตัวอย่างแลยิ่งคือตันีสุกก็คือตัวนีสุกก็ท่านแสดงไว้นะท่านที่เห็นท่านแสดงอ่ะท่านบอกไว้เราเกิดไม่ทันจะไปเถียงทำไม แล้วก็ดูแต่ก็เห็นกันอยู่ว่าถูกต น, นี้สูปไปตอนหน้าต ต, ตานะฮะพระเทวทัตที่ตอนนี้สูปไปจังหวะจังหวะไปก็ทั้งก็พูดจนถวายข่างบูชาพระพุทธเจ้าอก่ไม่รู้จะถวายอะไรมือก็พนมไม่ได้เลยก็ไม่ได้แล้วก็ถวายข่างบูชากระดูกค่างว่าพูดจบก็จมหายลงไปเลยจมจริงๆไง น, นะฮะไม่อยากพูดสาย ด, ดูซ้ายเดินไรเราไม่ต้องสายดูดหรอกมันมันเป็นกรรมที่เรียกว่าแผ่นดิน ส่งไว้ไม่ได้นะรักษาไว้ไม่ได้เพียงแต่ว่าเราปัจจุบันเราไม่มีตัวอย่างแต่นั้นเด็กเนื่องจากเงื่อนไขที่ให้เกิดกรรมอย่างนี้มันไม่มีกรรมประเภทแรกก็ให้ผลในปัจจุบันอย่างนี้ท่านเชื่อมเชื่อมโยงต้องๆชัดๆนะนะอย่างอย่างกรณีของของกุศลกุศล ก, กรรมเช่นเชจุลยกรสาดกที่ว่าตะกี้เนี่ยนะ หรือว่านายปุณณนะปุณณะเศรษฐีซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นทาสเป็นทาสของราชกษหตเศรษฐีในกรุงราชพฤก์แกไถานาไปไถานาทำนาแล้วก็ภาษาริบุตรออกอย่างนิโรธสมาบัติแกเห็นข้าวแกดีใจกแกไปตัดไม้จิ้มฟันไม้จำระฟันไม้ไม้นมี่ไม้ไม่ปุสนเดาไม้ไครเลยเนี่ยนะขนณะสักเรา เราไ เ, เกือบเกือบคืบเรียกเคี้ยวไม้จำรักฟั น, นใช้เคี้ยวเคียวไม้จำรักกันก็ไม่ได้มีแปรงสีงฟันในสมัยนี้แต่จริงเคียวไม้จำรักฟันดีกว่าแปรงไงนะเป็นยาด้วยแล้วพันยาของท่านเนี่ยนะแกแคิดว่าอยากจะถวายอะไรมันไม่มีอะไรถวายโดยก็ถวายได้แค่ไม้จำรักฟัน พัญญาก็เดินไปก็ภาษาริบุก็เดินไปทางบ้านกันแกนะฮะพัญญาก็นนำอาหารมาจะถวายสามีดีใจมากเลยเห็นพระไม่ได้ทำบุญอยากทำบุญมานานแล้วเอยธยทานก็ไม่มีพระมียธยทานไม่มียธยทานมีพระไม่มีอะไรแต่ไหนมันไม่ได้จังหวะอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถืออยู่ในมือเลยเอาเลยก็รี้ทาบุญจางก่อนก็ข้าหมดแล้วก็กลับไปหุงข้าวใหม่ สามีก็วิชิวรอคอยปัญญาปัญญาก็หงข้ามาก็ตะโกนบอกสามีนะทําใจดีๆนะอย่ากโกรธนะอย่ากโกรธนะทําใจดีๆได้วปรากฏว่าแก น, นอนแกตื่นมาถึงไอ้ไอไอไขี่ไถ ท, ที่แกถ่ายไว้ก่อนมันกลายเป็นทองกลายเป็นทองไปทั้งหมดเลยก็เรียกแปดกระดิบไขเจ้าพ่อตรงนั้นนะฮะเจ้าพ่อที่ไถไว้เนี่ยก็กลายเป็นทอง เพราะอานิสงส์พรวายครบที่ว่าสี่อย่างนั่นเองได้วันนั้นเป็นเศรษฐีกันในวันนั้นเลยราชกาษัตริยเศรษฐีซึ่งเป็นเจ้าของนาจริงๆเนี่ยแกบอกนี้มันเกิดด้วยบุญของคุณคุณก็เอาไปแล้วก็เป็นเศรษฐีพ่อของนางอุตรานะฮะพ่อของนางอุตรามาอุบาสิกาที่เก่งดังยเยริญเมตตานะโคนน้ํามันร้อนๆเทราดหัวกลายเปน็นน้าเย็นเนะนะนี่ยนะฮะอันนียคือ บุญที่มันแรงกุศลที่มันแรงก็ให้ผลอย่างนั้นหมายความว่ากรรมที่ให้ผลในปัจจุบันแต่ว่ากรรมให้ผลบางอย่างมันให้ผลยกยอดมาในในแนวที่วา่าเมอกี้คืออาจจะอาจจะยกมาสนับสนุนอาจจะให้ผลเป็นการเกิดอาจจะให้ผลไม่ตัวสนับสนุนอาจจะให้ผลเป็นตัวเบียนเป็นตัวลดความดีความชั่วหรือว่าเป็นตัวตัดความดีความชั่ว สี่ประเภทแรกอะสี่ประเภทกลางที่วาสกีน่ะนะฮะมันก็ให้ผลในชาติต่อไปคือหมายความว่าต้องต้องยกยอดไปอีกชาติและบางอย่างที่จะเรียกว่าให้ผลในพบต่อต่อไปต่อต่อไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาได้โอกาสตรงไหนเขาก็ให้ผลตรงนะั้นดีก็มีไม่ดีก็มีก็ติดตามกันเขาเรียกว่าติดตามไปข้างหลังข้างหลังโอกาสเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะ เราจะพบว่ายัางพ ร, ระประวัติพระพุทธเจ้าของเราที่มาเอามารวบรวมไว้ในหนังสือชีวิตนี้ใครได้กิตเลยนะฮะมีสิบเจ็ดครั้งที่พระเจ้ารับผลของอาคุศุเป็นเรื่องอดีตไกลทั้งนั้นหลยแล้วสั่งเล่าอ่า น, นี้ผลบาปอย่างนั้นอย่างนั้นสมัยนั้นสมัยนั้นทําอย่างนั้นอย่างนั้นไว้เนี่ยนะฮะนั่นคือกระบวนการของกรรม แต่ตั้งแหลายเจตว่ากระบวนการของกรรมนั้นกรรมนั้นมันเป็นเป็นเป็นอาการนะฮะที่จริงมันเป็นอาการมันเหมือนกับพวกมันเหมือนกับตัวความร้อนเป็นอาการของไฟที่จริงไฟมันก็เป็นอาการของส่วนผสมที่เป็นให้เกิดไฟมันก็ถ้าถ้าย่อยกันไปเรื่อยอย่างแนวที่พุทธเจ้าทรงแสดงว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขันังขันเป็นปัจจัยเกิดปัญญาปัญญาเป็นปัจจัยเกิดนามบรรลุนะ ทนี้ในชีวิตเราปัจจุบันเนี่ยหมายความว่าอาการทางจิตของเราคือกิเลสหรือว่าธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตเป็นในทเราพูดเราทำเราคิดไปตามอาการของธรรมะหรือกิเลสเราเนี่ยเพราะบางทีเราก็ทำดีบางทีเราก็ทำไม่ดีบางทีทำดีได้มากบางทีทำดีได้น้อย เมื่อขึ้นอยู่ก็ถ้าเรามองกลับไปว่ามันมันมันมาจากอาการของโรค ก, กดหลงหรือความไม่โรคไม่กดไม่หลงทีนี้ถ้าถ้าพวกนี้มีปริมาณปริมาณมากปริมาณมากเช่นว่าโรค ก, กดหลงมากหรือไม่โรคไม่ ก, กดไม่หลงมากมันจะกลายเป็นลักษณะของคนเดิมทีเจ้าทรงแสดงว่าความชั่วคนชั่วทําได้ง่ายแต่ว่าทําความดีได้ยาก เห็นไหคนชั่วเนี่ยทําชั่วได้ไง่ายทําดีได้ยากแต่คนดีเนี่ยทําความดีได้ไง่ายทําความชั่วได้ยากเพราะว่ามันพื้นนัตยาสใสพื้นนัตยาใสที่เขามีความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอยู่มากเนี่ยทําความชั่วเนี่ยมันไม่ไหวเขาไม่เอาบางทีครูฆ่าให้ตายยังไม่เอาเลยยังไม่ทําเลยนะแต่บางทีเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมันน่าจะตางร้อยบาทวไปยิงคนมันเอาเลย ให้ล้ามันฟูดมันเอาเลยนะฮะคือแสดงอาการหนักมากๆมันโลกกดหลงมันมันปิดบางเหตุผลสติปัญญาไว้ทั้งหมดนี่ก็คือก็คือกระแสที่ทรงเห็นว่าให้เป็นทรงสอนให้มองให้เรามองสืบสาวสืบสาวไปถึงที่มาแล้วตนตั้งหลายเห็นว่าเอาก็จริงแล้วสาเหตุไม่ได้มาจากไหนเลยมันมาจากจิต มาจากกินเราทั้งนั้นหลยเจรู้์ว่าใครก็ทําให้เราโกโรธแล้วเราก็นึกจะด่านึกจะตบนึกจะต่อยเขาถามสาวไปถึงที่มาจริงๆเนี่ยฮะมันไม่จะอยู่ที่เขาด่ามันอยู่ที่เราโกโรธมันอยู่ที่เราโกโรธไม่อยู่ที่เขาด่าก็ด่าก็ด่าไปสิแต่เราไม่โกโรธเราก็จบเท่านั้นเอง แล้วปัญหาแต่ที่เราจะไปแก้ข้างนอกเราจะแก้ที่ข้างหนหราจะแก้ที่ใจแก้ที่ใจเราอย่างมือเชา้าเดียก็ถามปัญหาเหมือนกันแต่ว่าเกิดเกิดเกิดแค้นที่สามีก็ทอดทิ้งไปเลยนะแล้วเกิดความทุกข์มากเออไม่ไม่สบายเลยเก็ตั้งปัญหาเขาคิดนะฮะว่าสามีเราเป็นคนเพิ่งพบกันไม่กี่วัน ไอ้ชีวิตคุณมันอยู่กับคุณมาตั้งแต่เกิดอ่ะถ้ามีเป็นใครก็ยังไม่รู้เลยแล้วเขาก็เลิกไปแล้วด้วยทำไมเราต้องเป็นทุกข์กับคนซึ่งเพิ่งเจอกันระหว่างทางแ่งในเองลเลยเาก็ทิ้งเราไปแล้วทาไมไม่ดูแลชีวิตล่ะเด้อชีวิตเป็นของเราที่เราต้องรับผิดชอบตั้งแต่เกิดมาจนตายอ่ะโดยให้ความสาคัญกับคนนอกมากกว่าคนในคือชีวิตของตัวเองนั่นก็คือแล้วอยู่ที่ตัวความคิด หรือบางคนนะฮะที่เาอยากใจคน น, น, น, นะคดดคนั้นเป็นอย่างนั้นหวังดีนะคิดดีทั้งหมดแต่อยากคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนู้นเป็นอย่างงู้นแล้วทําไม่ได้ก็เป็นทุกข์บอกมันเรื่องอะไรทาไม <โ frustrating. S 1> จะต้องคิดแบกโลกอย่างนั้นะโลกเรามีให้เหยียบไม่จะมีให้แบกปัญหาสำคัญว่าเราเองเราลืมไปว่าเราเองก็ควบคุมตัวเองไม่ให้บังคับคนอื่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นไม่ได้แต่เราคิดจะบงังคับ คนอื่นดลืมมาเราเองคนที่คิดบังคับคนอื่นแสดงว่าบังคับตัวเองไม่ได้บังคับตัวเองให้ไม่บังคับคนอื่นไม่ได้แล้วเดือดร้อนเพราะคนอื่นไม่เป็นไปตามที่เราต้องการให้เป็นโดยลืมไว้จริงๆเราเดือดร้อนเพราะเราอยากจะบังคับคนอื่นถ้าเราแก้ตรงตรงนี้ได้นะฮะปัญหามันก็สงบหน้าที่ก็ทำไปแต่ไม่ใช่ว่ารอยเอร์เซ็นตมันมใครทาอะไรได้รอยเอร์เ เป็นการสอนในแนวสืบสาวท่านจึงเรียกว่านิทานะหมายความเอาถึงที่มาจริงๆมันคืออะไรคนทั้งหลายนั้นทั้งส่วนดีทั้งหมดเนี่ยเกิดมาจากไม่โลคไม่โกรธไม่หลงส่วนไม่ดีทั้งหมดก็เกิดมาจากโลคโกรธตกแล้วก็ส่งสอนให้ลดความโรคโกรธหลงให้เพิ่มความไม่โลคไม่โกรธไม่หลงเพื่อให้เกิดความสุขในชีวิตของเราแล้วันนี้ก็ขอจิติไว้ในเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อกรรมไปบุตรในธรรม รูมีเดทท่านสาวชนออนไลนยโดยทุกการทุกท่านถือ